ขความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลพงปบ่วติยานกำลังนำเสนอคำกราบบังคมทูลของท้าวสัมบดีพรมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่มากราบทูลนรัตนาให้ทรงแสดงธรรมคือในคำพีบางเล่มเนี่ยพูดว่าท้าวสัมบดีพรมก็มาพร้อมกับ จอมเทพตั้งแต่เท่าส ก, กัดเป็นต้นมาแต่ไม่ได้พูดถึงเท่าจตุมาราชนะฮะก็แสดงว่ามาจากห้ากับห้าองค์รวมแล้วก็หกองค์งพระพรุฒิแต่ว่าคนที่กราบทูลเนี่ยคือหวัวหน้าคนเดียวคือพระพรุฒิมันก็แสดงถึงมันญาติอย่างหนึ่งคือโดยหลักของการปฏิบัติเนี่ยที่ถูกต้องอนะฮะเช่นสมมติว่าพระไปในงาน รับในบนไปสิบรูปเนี่ยหรือตามปกติแลวรูปอื่นเขาไม่พูดนะเว้นไวแต่เขาไปถามเจาะจงในเรื่องอื่นแล้วก็จะให้คุยกับหัวหน้าแต่จะเห็นว่าพิธีหลวงเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ยกเก้าอี้ไปนั่งตรงหน้าพระเวลาฉันในกรณีนั้นนะถ้าจะคุยก็คุยได้แต่ตามปกติแล้วก็จะ ห, หัวหน้าเป็นคนคุย เกลือกน้องก็จะอยู่เฉยๆคือไม่คุยเว็นวายแต่ท่านมอบหมายรปะว่าเราต้องให้เกยรติหัวหน้านะแล้วโครงสร้างโครงสร้างขอ ง, ง, ง, งพระนี่จริงๆทำอย่างนั้นเวลานี้ไม่ค่อยถืออะไรกันเท่าไหร่แล้วก็ข้ามกราบบังคมทูลเนี่ยก็ท้าความมาตั้งแต่ต้น ก็ยังนึกว่าโอกาสหนึ่งเนี่ยจะจะนำธรรมะที่เป็นมุลทินมายกตัวอย่างให้ดูก็ที่จริงก็เป็นการศึกษาพวกปรัชญาของยุคสมัยนั้น น, นะครับแล้วก็บางงานก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็เก่งก็คมแต่บางอย่างเนี่ยมันมันเชยเชยยังไงก็ไม่รู้คือไม่มีเหตุผลในการกระทาในการพูดในการสอน แก็มีคนเคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างพวกนิโครนพวกนิโครนมีคาสอนเฉยๆเยอะแต่ว่าคมๆก็เยอะนะคมก็เยอะเหมือนกันท่านบอกว่าให้พระพุทธจเจ้าทรงพิจารณาชุมชนผู้เกลื่อนโกลนด้วยความโศผู้อันชาติและชาครอบงำมีอุปมาฉันนั้นแต่วันก่อนเราพูดถึงประสาท คือธรรมะเนี่ยธรรมะที่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจคือใครประพฤติปฏิบัติก็ตามนะมันก็เป็นหลักเป็นปราสาทบางครั้งก็เป็นบันไดปราสาทอย่างศีลเนี่ยถือว่าเป็นบันไดขึ้นสู่ปราสาทแต่ธรรมะปฏิบัติเนี่ยก็เป็นห้องหับต่างๆในระดับต่างๆก็แล้วแต่มันจะปลอดภัยขึ้นไปโดยลําดับก็ถือว่าคนที่ยังโศกในี่ถูกชาติผู้อัญชาติและชราครอบงํา หมายความไม่กว่าคนเราถ้าไม่เกิดมาเนี่ยมันก็ไม่สุขอะแต่คนเราเกิดมาแล้วในที่สุดมันถูกครอบงําด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายเวลานี้ท่านพูดเฉพาะชาติคือความเกิดและพัชราคือความแก่ไม่ได้พูดถึงความเจ็บความตายแต่สุกเนี่ยมันมันก็ถือว่าเป็นทุกข์นะฮะก็เป็นความเจ็บอย่างหนึ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ผู้มีความเพียร ความเพียรก็คือความกระหายศาสนาพูดเป็นศาสนาของความเพียรพยายามไม่ใช่มีลักษณะของการดลบรรดาลตามปกติแล้ววิธีการนับถือพูดของเราเนี่ยมีเป็นอันมากนะฮะมีแนวการดลบรรดาลการบวงสรวงการอ้อนวอนขอร้องให้มีการประสิทธิ์ประสัทสิ่งที่เป็นอะไรที่เราต้องการมากๆนะ วันพระที่ใดก็ตามที่เขาบนแล้วขึ้นอะบนแล้วแคยๆก็ดได้เขาคิดว่าเขาได้เพราะการบนอย่างนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะฮะก็ทําให้หลวงพ่อเหะไรนะศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดอะไรบางพีใหญ่อะไ ร, ต, รต่างต่างหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พระเหล่านี้จะมีคนไปเอาเงินใส่กรงใส่ตู้ในบริจาคมากมายแกลกาซึ่งถ้าหากว่าเป็นจริงนะฮะมันก็เป็นเรื่องของเทวดาที่รักษาพระพุทธรูปเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีพระองค์มาช่วยเหลือได้เราหรอกเหลืออยู่เฉพาะพระคุณเท่า น, นั้นเองพระคุณก็เต็มอยู่ทุกส่วนทุกทกทุกคนทุกแห่งนะฮะ คือปัญญาบริสุทธิ์ก ร, รุณาของพระพุทธเจ้าเราน้อมใจขึ้นมาไว้ในใจเมื่อไหร่ก็ได้มานั้นเนี่ยแต่ว่าจะดนบันดาลในลักษณะต่างๆอย่างที่เชื่อถือกันเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการของพุดเพราะผลสาเร็จที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเองเขาใช้ความเพียรพยายามลักษณะลองผิดลองถูกอย่างที่เล่าเอาไว้แล้วก็ข้อต่อไปท่านบอกว่าทรงชนะสงครามทรงชนะสงครามในที่นี้ก็หมายถึงว่า สรงชนะต่อการต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับพยามานทั้งหลายเนี่ยเลยเจนว่ามารที่ทรงเอาชนะนั้นมันหมดทั้งห้ามารไม่ใช่ว่าทรงชนะเฉพาะพยามานตนเดียวคือทรงชนะกิเลสมารทรงชนะขันธมารคือไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นมัน่นนะมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็อะไรนะฮะพระพุทธเจ้าก็ สังขารร่างกายก็เป็นโลกิยะมัมออีเจ็บมีปวดมีเมื่อยเป็นธรรมดานะีก็รู้สึกว่าประทับนั่งนานไม่ค่อยได้ปวดแต่ว่าตรงก็ไม่ใส่ประไทยอะไรคือไม่สนประไทยไม่ไปยึดติดอะไรมันแล้วก็อภิสังขารมานคือบุญบาปเนี่ยทําลายได้หมดเป็นผู้ละได้ทั้งบุญทั้งบาปแล้วมัรจุมานคือความตายก็ ทำลายพระองค์ไม่ได้นะพระโพระองค์นิพพานก็มัจจุมาณมัจจุมานคม์คือไคือไอเทวุตมะนะเทวดาทั้งหลายดาเป็นอันธพาลต่างๆจะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพวพุทเจ้าก็สรงชนะมาแล้วเพราะนันก็พระเจ้าจึงชื่อว่าพิชิตมาเนวิชิตมาโรแปลว่าผู้ชนะมารแต่ในที่นี้ท่านไดยกว่าชนะสงคราม ผู้นำหมู่นำหมู่นั่นเป็นการก็มาจากคาว่าศรัทธานะฮะศรัทธาเดวมนุสสังคือเป็นการอุปมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับศัทธาหรือสัตถาวาหะในที่จริงเป็นชื่อคนในกองเกวียนแล้วเขาก็มาเรียกพระพุทธเจ้าในฐานะที่ผู้นำหมู่ เราจึงเรียกนักบวชอีกกลุ่มหนึ่งว่าอัญญะดิระชีเรียกว่าอัญญะดิระชีนะฮะติถิก็คือท่าหมายความว่าคล้ายๆกับคนเราเนี่ยว่ายอยู่ในกระแสมแม่น้ํากระแสมหาสมุทรแล้วก็ว่ายมาเพื่อจะขึ้นฝั่งฝั่งก็คือปฏิปัติทีนี้คนที่อยู่ในทิศนั้นแหละว่าจริงที่ตกลงไปลงไปในน้ําเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเภท พวกหนึ่งก็ตกไปแล้วก็จมหายไปเลยก็ตายเรียบร้อยไปนะพวกนั้นอีกพวกหนึ่งก็ตกลงไปแล้วก็จมจมแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมต่อก็โปรโปรโปพวกนี้ก็โปรโปรโไปนะคล้ายๆกับคนที่ทําความดีต่างๆไอเราสังเกตว่าเราไม่ค่อยต่อเนื่องหรอกเป็นการทําความดีแบบโปรโปรโปรักษาศีลก็ไม่ต่อเนื่องบางที มีงานศพขึ้นมารักษาศีลสมาทานศีลพอพระกลับนั่งดื่มเหล้าเฉยเหมือนกับไม่รับรู้อะไรเลยตึ่นสัจจะปฏิญาณนะปฏิญาณตน ต, นต่อหน้าพระรัตนไตรใจจะรักษาสักหน่อยก็ไม่ได้นั่งดื่มเหล้าเฉยแลวบางทีก็นั่งเล่านิทานโกหกต่อไปกันใหญ่เลยเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยต่อเนี่อ ไม่ค่อยต่อเนื่องก็ทำให้ผลจริงๆเนี่ยมันไม่ไปลดความสำเร็จพร ะ, ระพุทธเจ้าเนี่ยท่านที่เรียกว่าสัตาวาหาก็คือผู้นำหมู่หมู่ก็เหมือนเหมือนเหมือนนายกองเกวียนสมไยโบราณเนี่ยนกองเกวียนเนี่ยไม่ใช่เล่นนะนะต้องเก่งมากๆต้องฉลาดปราดปรืงต้องมีไหวพริบ ป, ปฏิภาณในการที่จะนำหมูคะนะ่คณะเพื่อเกิดความสวัสดีเนี่ย ั้ะเล่าถึงอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก็ที่จริงก็มีหลายเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งเนี่ยเรียนว่าวิธีใช้สถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วก็พร้อมที่จะสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนได้หรือก็บอกว่าท่านเตรียมเดินทาง ก็ไปค้าขายในกองคาราวานเกวียนแล้วก็เมื่อเข้าไปเขตป่าเนี่ยมีพวกยักษ์ปลอมตัวมากระยัคกินีปลอมตัวมามีผมชุ่มด้วยน้ำเพื่อผ้าเปียกปอนยานพานะก็เปียกปอนแล้วก็กินงาบัวลูกบัวดอกบัวมาเดินกันมานก็มาถึงก็แนะนำ ว่ากองเกวียนบันเน้ยน้ํามันเยอะน้ำที่บรรทุกไว้นในเกวียนมันเยอะมันช้ามันหนักข้างหน้าน้ําเยอะไม่ต้องไปเอาน้ําหรอกคือกองเกวียนกองก่อนนะ่ะถูกต้มได้แล้วแล้วก็ถูกยักกินหมดแลกพอมาถึงหลอกอย่างนั้นเนี่ยคนอื่นก็เชื่อนะแต่นายกองเกวียนเนี่ยวิธีที่จะกำราบมวลชนซึ่งกำมังบ้าคลั่งเนี่ย คือไม่ใช่ไปอธิบายเขามันจะต้องให้เขาคิดเองตั้งคำถามให้เขาต่อไปเขาคิดแล้วเขาจะเบียงเบนความคิดออกไปท่านก็ตั้งคำถามนะตั้งคำถามว่าที่ว่าฝนตกเนี่ยพวกเราเนี่ยฝนตกในก่อนฝนจะตกนี่มีอะไราการมไม็มีอากาศอา้อาวๆเรามีไหมมีอากาศอ้าวๆไหม แล้วเสร็จแล้วจะมีลมเย็นโชยมามีลมเย็นไหมแล้วก็มีฟ้าแลบมีฟ้าแลบไหมมีฟ้าร้องมีฟ้าร้องไหมก็แสดงว่าไม่ใครไม่เห็นได้ยินอะไรแต่แล้วบอกคุณสังเกตไหมพวกเนี้ยไม่มีเงามีหรือคนไม่มีเงาแล้วตาไม่กระพริบสังเกตไหมว่าตาเขไม่กระพริบเลย แสดงไปนะมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์แล้วมนุษย์นี่มันต้องมีเงาทำไมไม่มีเงาล่ะนี่ก็คือให้เหตุผลแล้วเสร็จแล้วท่านก็นำกองเกวียนไปโดยไม่ยอมให้เทนานทิ้งไปถึงก็พวกเกวียนพวกเกวียนขบวนก่อนนะจานวนมากเป็นร้อยๆเมือนกันตายหมดแล้วคนตายหมดแล้วสัตว์ก็ถูกกินหมดแล้ว ก็ไปเอาของที่มีราคาในเกวียนเหล่านั้นนะมาเปลี่ยนแล้วก็ไปขายของก็ได้ราคาเพิ่มมากิ่งขึ้นเพราะนกองเกวียนจึงถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญคล้ายๆกับแม่ทัพนั่นแหละเพราะฉั้นบางครั้งเราเรียกพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นพระราชายแห่งธรรมแต่ในตอนนี้ท่านเรียกในฐานะที่เป็นผู้นําหมู่ คือเป็นสตาวะาก็คือนำคนขึ้นสู่ฝั่งคือปันิพันธ์พาจารย์ยที่บอกไว้ว่าคนบางพวกเนี่ยจมน้ำเข้าไปตกลงไปน้ำแล้วก็จมไปเลยแล้วไม่โผล่มาอีกเหมือนกับคนบางพวกที่ตกอยู่ภายใต้หลุมบ่อของใบมุกทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมโผล่มาเลยแม้แต่เป็นคนเท่าคนแก่ คือนานมาแล้วที่จริงเป็นเด็กนะตอนนั้นเป็นเด็กยังนึกว่าอายุไม่ถึงสิบขวบ ก, ก็ยังนึกทบทวนอยู่แต่ก็นึกนึ ก, นกไม่ค่อยชัด น, นันเดินผ่านอะ่ะผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันมีคนคนหนึ่งจมูกบี้เมาเหล้าเก็กะไม่เอาเรื่องเอาเลราวไม่ทํามาให้กินอะไรแกบอกเอาพวกเนะี่ยตอนนั้นก็มาเมาเหล้ากันอยู่นะฮะเมาเหล้าเล่นการพ น, นันกันอยู่เลยเอ๊ะไม่ไม่ใช่เมาเหล้าไม่ใช่เล่นกอง แล้วก็จะบอกว่าแกไม่สนใจหรอกเกิดเป็นอะไรก็ได้ไม่สนใจขอให้มีตัวเมียก็แล้วกันเราเป็นเด็กนี่ฟังแล้วมันฟอรบูบเลยว่าอะไรคนแก่คิดอย่างเงี้ยคือไม่สนใจฮะไม่ไม่สนใจเรื่องบาปกรรมอะไรแกเชื่อนะว่ามีบาปบุญเนี่ยนะแกเชื่อไม่ใช่ไม่มีหรอกไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าแกพร้อมที่จะตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ได้แกมีข้อแม้อย่างเดียวขอให้มีตัวเมียแต่นั้นเอง ก็อยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างนึกว่าจิตใจของคนเนี่ยมันก็ตามแต่มันก็จุดประกายความคิดเรานะเราเป็นเด็กเป็นเด็กก็เดินผ่านมันไม่ใช่ว่ า, าไปยืนเข า, เาไปไปไปดูเขานั่งดื่มเหล้าอะไรกันเนะี่ยเดินผ่านก็ได้ยินแต่มันติดอยู่ภายในใจมันรู้สึกสลดหดถูอรู้สึกว่า ไอ้คนบางคนเนี่ยความคิดความอ่านไม่น่านับถือเลยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพื้นฐานทางสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาทำตัวเขาเองเนะเพราะความคิดของเขาคิดอย่างนั้นมันก็ไปอะ่ะดังนั้นคนบางพวกมันก็จมหายลงไปเลยแต่บางพวกก็โปรโปรโปรโ ป, รปรคือไม่ถึงก็จมคือไม่ถึงก็ตาย นะทําความดีบ้างทําไม่ทําบ้างอะไรอะไรเนี่ยที่จริงไม่ใช่จําเป็นจะต้องเข้าวัดฟังธรรมจําศีลนะคือบางทีเราก็พูดนะมันมากไปไม่มีความจําเป็นอะไรที่คนจะต้องเข้าวัดฟังธรรมจาศีลแล้วไม่ได้มีกฎเกณฑ์วางไว้อะไรเลยนะเราลองสังเกตว่าถ้าชาวบ้านเกิดขยันขึ้นมาเนี่ยจะเข้าวัดฟังธรรมจําศีลในวันพระ ก, กันหมดเนี่ยรายได้ของแผ่นดินมันหายไปทำไม คนไม่ได้ทำมาหากินกันแล้วจะวัดไหนมารับโยมอะไม่มีที่ดินพอหรอกอย่างสมมติวัดบวรเนี่ยนะวัดวรในเนิหาเนี่ยนะมายังเคยพูดเสมอว่าคนเข้ามาตั้งสามพันเนี่ยก็เสร็จแล้วไปไหนไม่รอดแล้วนะฮเว้นไว้แต่ว่าเข้าไปอยู่ในอาคารใหญ่ๆซึ่งก็มีนะะอาคารใหญ่ๆสองหลายๆชั้นเนี่ยก็มีมีตึกสวหกชั้นนะฮะ ชันหนึ่งก็จุได้ละสักสองร้อยคนได้ถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นน่าจะได้นะแต่ว่าห้องเวนี้มันบังคับมันก็จูไม่ได้แล้วประการสาคัญว่าคนอยู่ยังมีธรรมะอยู่ในศีลในธรรมอ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ธรรมะมันอยู่ที่ใจมนุษย์เราจะเห็นว่าเอหิปัสสิโกเราก็ศึกษาเองโอปะนายโกก็น้อมนํามาปฏิบัติเอง ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์บังคับว่าชาวพุทธต้องเข้าวัดคลังธรรมำจำศีล น, นะวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นไม่ใช่วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นวันโกนก็ต้องมาวันพระก็ต้องมาเนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วโครงสร้างจริงๆก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นพระพุทธศาสนาถ้าเราดูยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านำาศาสนธรรมไปหาชาวบ้านไม่ใช่ปล่อยชาวบ้านเข้ามาห า, าศาสนาธรรม แต่ยุสมัยปัจจุบันเนี่ยเราทำไม่ได้นะโดยพื้นฐานจริงๆเนะี่ทำไม่ได้เพราะมันก็ต้องใช้สื่ออย่างเงี้ยใช้สื่ออย่างวิทยุอย่างเงี้ยแม้จะต้องใช้จ่ายสตางค์บ้างก็เถอะก็เพื่อทำหน้าที่อของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาปัญหาใหญ่เนี่ยปัญหาหลักคือการมีธรรมะบุเจ้าจะใช้ัำว่ามีธรรมะทีนี้ไอ้ความเป็นผู้นาเนี่ย ความเป็นผู้นำเนี่ยหมายความจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยประคองตัวอยู่ได้ประคองตัวอยู่ได้ไม่ถึงก็จมน้ำมนาะแต่น้ำแรงแงไม่แน่นะเห็นไหมว่าคนบางคนเนี่ยขนาดเป็นอาจารย์กรรมฐานเนี่ยตาบะแตกกับสตรีเพศเนี่ยมากต่อมากนะศึกษาลาเพศไปนะก็พูดคำๆกันว่า ขบวนพระทุดงขบวนหนึ่งราวหนึ่งเนี่ยต่างหลายร้อยนะไปกันขึ้นมาทางเหนือทุกวันก็เหลือกลับมาไม่กี่องค์เลยก็วันก่อนก็เจอรูปนึงก็ถามว่าหายไปไหนหมดอะ่ะก็บอกว่าโดนสาวๆาบาดไปทําร่างกายหมดอะ่ะอาคงไม่ใช่อาบาดไปทําร่างกายจริงแต่หมายความว่าศึกหมดอะ่ะนั่นก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยถ้าน้ํามไม่แรงเนี่ยเขาเขาประคองตัวอยู่ได้ แต่ประเดียน้ามันแรงเลยประคองตัวไม่ได้หร พ, พวกหนึ่งจะขึ้นฝั่งเพราะฉะนั้นนับขึ้นฝั่งเนี่ยนับตั้งแต่ประสบดับันเกินไปอย่างพวกเราเนี่อย่างดีก็เนี่ยโปรโปรโป ร, ป ร, ป ร, ปรหรือว่าประคองตัวอยู่ได้ขึ้นไม่แรงเนี่ยขึ้นลมไม่แรงประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าขึ้นลมแรงก็เป๋เหมือนกันเพราะฉะพระพุทธเจ้า ก, ก็นําคนขึ้นฝั่ง แต่ลมก็ขึ้นไปอยู่บนฝั่งแล้วก็นำคนขึ้นฝั่งในทีน่นี้ท่านยกตัวอย่างขึ้นบนยอดเขาพระพุทธเจ้านั้นจะมีการสอนให้รู้การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและการครองชีวิตได้เห็นเพราะเราจะสามารถจะเรียนจากพระพุทธเจ้าได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นธรรมะด้วยกันนั่นแหละคือสอนให้รู้มันเป็นความ ทำให้ดูมันเป็นการอยู่ให้เอ็นมันเป็นวิถีชีวิตนะเป็นคนนะฮะเป็นคนเพราะฉะั้นเราจะเห็นว่าธรรมะมันเรียนจากความเรียนจากการเรียนจากคนเรียนจากคนเนี่ยคน้าง่ายแต่ว่ามีปัญหาที่ว่ากับคนเนี่ยมันมีความรักความชัางแล้วมันก็มีความริษยามีความแข็งดีเพรา ะ, ะนั้นธรรมะเรียนจากคนเรียนยากแล้วก็ เวลาพูดยกคนขึ้นมาเป็นตัวอย่างนก็เรามักนิยมพูดคนตายเพราะคนเป็นเนี่ค่อนข้างเสี่ยงคือก็จะดีตลอดหรือเปล่าหรอกก็ดีแตกตนไหนก็ไม่รู้ก็มีการกําหนดหลักสูตรระดับมัธยมนะฮะหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับมัธยมเป็นการสอนเรื่องประวัติของระสาวก ข, ของพระ เขาก็เสนอพระเป็นเป็นหนึ่งนั้นนหะมาบอกไม่ได้หรอกต้องเอาพระตายแล้วพระเป็นเป็นในเสนอขึ้นมาไม่ได้แล้วถ้าวันหลังเกพะพลาดเด็กมันช็อกนะเด็กก็เรียนอยู่เกะศรัทธาเรื่อมใสแล้วเด็กมันช็อกเป็นอันตรายเหมืนตกลงก็เอาพระเก่าๆมาเรียนมามาเรียนกันคือท่านเหล่านั้นก็ดีเท่านั้นแหละฮะดีเท่านั้น ที่หนังสือ ง, งานศพเป็นส่วนมากเขาพูดเรื่องดีๆนะก็ามไม่พูดเรื่องความไม่ดีของท่านแต่คนที่มีชีวิตอยูย่มันไม่แน่เพราะพวกนี้มันก็อาจจะประคองตัวได้ในสถานการณ์ที่กระแสน้ำไม่เชี่ยวกลากเกินไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำขึ้นสู่ฝั่งคือวันนิพพานเรียกว่าท่าแต่อัญญาเดีรีมันนาขึ้นท่าอื่นคือมันจนิพพาน ไปลงไหนก็ไม่รู้ขึ้นไปทางไหนไม่รู้เพราะงั้นพวนี้ที่จริงก็คือตีถังกรนะฮะตีถังกรดีละถังกรเนี่ ย, ท, ท, ยที่จริงก็คือก็คือศาสนาเหมือนกันเป็นผู้นําหมู่เหมือนกั น, เ ป, น, น, ก เ, น, กนเป็นผู้กระทําซึ่งท่าเป็นที่ข้ามขึ้นนะแต่ว่าทวาดีมันเป็นอนญาติระชีคือนําไปสู่ท่าอื่นไม่ใช่ท่าคือมรรคผลนิพพานเพราะนั้นท้าวสา ม, มดีพรมก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้นําหมู่ แล้วขอพระองค์ทรงอุตสาหะเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมเพระาะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีนั้นก็ขอกลาบถว น, นาราธนาก็ขอให้โปรดแสดงธรรมแล้วก็อุตสาหะใชาความเพียรพยายามที่จริงพระพุทธเจ้านะ่ก็มากไปด้วยเป็นเป็นเป็นผู้มากไปด้วยความเพียรอยู่แล้วนะฮะ ก็จะริกโกรดชาวโลกเป็นการกราบทูลนราตนาครั้งเดียวแล้วพระพุทธเจ้าก็จะเทศนาสั่งสอนซึ่งจะมีเนวกาสต่อไปออประเด็นสำคัญที่น่าคิดอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนโน้นนะว่าสมบดีพรมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแบบมักขายกเข้าหาสมพานวัด คือทำผ้ า, าห่มเสียงบ่าแล้วก็เอาเท้าขวาในจุดตรงที่พื้นเท้าซ้ายไม่ได้บอกก็แสดงว่าเท้าซ้ายก็เหยียบที่พื้นก็ยกเขา่าก็ชันเขาอันหนึ่งนะฮะแล้วก็หุบเขาอันหนึ่งเป็นท่านั่งเป็นท่านั่งที่แปลกแต่ว่าจิตกรรมเวลาเขียนเนี่ยเราจะเจอเขียนในลักษณะนี้ เแกแน่ๆตรงนี้ถึงก็ผีดก็เทวดาเทวดานั้นมายืนแล้วก็ไปเลยหรือกราบทูลถามปัญหาพระเจ้าตอบเสร็จแกก็ไปเลยตัดเทวันตธายิตัอันตรธานไปจากผี่นั้นหรือตัดเทวันตทายิงสุตมาหลายองค์นะฮะก็อันตรธานไปปุ๊บเดียวหายละคราวนี้เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ ของพระพรหมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือทําให้สถานะของพระพุทธเจ้าเราก็โดดเด่นว่าพระพรหมมากราบทูลนราธนาโลกนับถือพรหมนะครโลกนับถือพรหมเมื่อพรหมมานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมากราบทูลนราธนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมันก็ในแง่ของสังคมจิตวิทยามันก็ได้ได้ผลมากราคนที่มานับถือพรหมอยู่ก่อนเนี่ย แล้วก็เห็นว่าพรห ม, มากลับมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็มานับถือพระพุทธเจ้าแทนการนับถือพรหมตอนโครงสร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้ที่จริงมีผลในเชิงสังคม จ, จิตวิทยาอยู่สูงและก็อีกอย่างหนึ่งในแง่ทางาศาสนาเราก็เห็นว่ า, าศาสนาพุทธก็เหนือกว่ า, าศาสนาพราหมณ์เพราะผู้นําทางาศาสนาพราหม์มาเป็นลูกศิษย์ของาศาสนาพุทธไปนะก็เป็นการต่อสู้กัน ในด้านเหตุการณ์ต่างๆ่าง้ฟังทั้งหลายแต่ร่วมประพติยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้ อ, อางามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี